เพืฟังที่เคารพคะรายการสันนิษฐานาค่ะเราสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องคําสอนของพระาศาสดาทั้งนั้นเลยค่ะแม้กระทั่งในส่วนของการปฏิบัตินั่นก็จากคําสอนของพระาศาสดาที่ท่านมาร์กนําไปในช่วงต้นนะคะพระสูตรนั่นก็จากคําตรัสของพระาศาสดาต่อไปนี้ที่กำลังจะเจอถึงแม้จะมีพระภิกษุเป็นผู้ถ่ายทอดนะคะในการที่จะเลือกว่าจะยกเอาพุ้ทวจรณะบทไหนมาพูดแต่ก็ ยกแต่สิ่งที่พระศาสาดาตรัสไว้เบอร์ธรรที่ถูกปิดด้วยพุทธวชนากับพระภัยบุญอภิปุลโม น, น, นะคะพุทธนมส ก, การกนน ะ, ะ<น>ทะั้งคะยัยพรค่ะก็แต่ว่าวันนี้ <laughs> วันนี้จะเป็นพิเศษหน่อยเลยจะกราบเรียนถามท่านถึงเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศอีกเพียงแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มต้นด้วยพุท ธ, ธชยันตีกันก่อนอนะคะในเรื่องนี้ต้องขอชี้แจงเกี่ยวกับคุณสมบัติ ข, ของพระเจ้าอย่างหนึ่งคือเป็นผู้ที่มีความกรุณา ประเด็นหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะมีความสงสัยเอ๊ะพระุทธเจ้านี่คือลำเอียงไหมในเรื่องของระหว่างชายกับหญิงนะหลังๆที่ตอนแรกก็จะมีแต่ภิกษุภิกษุอย่างเดียวแล้วก็ภิกษุภิกษุใช่ไหมอพอมาตอนหลังพระพุทธเจ้าให้มีภิกษุณีก็ยังต้องมีข้อจํากัดอะไรอีกหลายล้าอย่างเกี่ยวกับภิกษุณีแล้วก็ยังเคยตรัสกับท่านพระอ น, นุนบอกว่าถ้ามีภิกษุณีแล้วก็จะทําให้พระสัตว์ธรรมเนี่ยจากที่มันจะตั้งอยู่ได้นานก็จะลดอายุก็จะลดลงครึ่งหนึ่ง ทำให้บางคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าเอฟุจ้านีอาจจะลําเอียงในระหว่างเพศก็ต้องบอกตามตรงนี้เรามาดาูคุณสมบัติของความเป็นสมาสมธาธิบุ t h ตรงนี้นะก็จะพบว่าผู้เจ้าเนี่ยเวลาสอนธรรมะนะก็สอนอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะผู้ชายผู้หญิงก็ได้ยืนยันกับท่านพระอนนท์ไวนะ้บอกว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันนะไม่ได้เกี่ยวกับเพศนะจิตเป็นจิตที่ไม่มีเพศ แต่ว่าในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตนั่นเองที่ถ้าบอกว่าผู้ชายมีอยู่เนี่ยก็จะทําให้เหมือนกับครอบครัวที่มีจํานวนผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเนี่ยครอบครัวนั้นก็จะปลอดภัยอยู่ได้ครอบครัวไหนมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายก็จะต้องระวังหน่อยจะถูกรังแกจะถูกกลมเพียงได้ง่ายพุทธเจ้าเห็นเลงเห็นประเด็นนี้ก็จึงในลักษณะของการบัญญัติหมวดธรรมเนี่ยไม่ได้ระบุไว้เลยนะว่าหมวดธรรมข้อนี้นีอ่อะไรลยะยัง โพชงเจ็ดสหรับผู้หญิงนะแล้วก็โพชงอย่างนี้สําหรับผู้ชายไม่มีเข้าใจไหมมีแค่เรื่องของออระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติทางโลกที่เราสมมุติกันขึ้นมาผู้หญิงเป็นอย่างนี้ผู้ชายเป็นอย่างนี้ก็แค่นั้นเองหน้าที่ของสามีภรรยาก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพใช่ไห ม, มดังนั้นดังนั้นจริงจะเป็นตัวบอกว่าผู้ชจ้าเนี่ยยุติธรรมเต็มที่แล้มีความยืดหยุ่นในการที่จะเบี่ยนจัดการคณะสงฆ์ทั้งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้หญิงผู้ชาย คือให้ทําเท่ากันอแล้วก็ทรงเชื่อว่าโอกาสของมนุษย์มีเท่ากันถ้าปฏิบัติเช่นเดียวกันเพียงแต่เรื่องภิกษุณีนะคะเป็นอย่างนี้ไคุณยมเตียวอย่างสมมติเรามีลูกสาวกับลูกชายเราจะเอากระโปรงมาให้ต้องทุกคนต้องเหมือนกันงั้นทุกคนมีกระโปรงหมดมันไม่ได้ผู้ชายใส่กระโปรงได้ไงคผู้ชายก็ต้องใส่เกงของเกงแบบนี้คุณเอาไปให้ผู้หญิงเป็นลูกสาว โอ้มันก็ไม่ได้มันก็คนละทรงกันเขาก็ไม่ใส่กันนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าคุณต้องแฟร์ต้องยุติธรรมก็ก็ต้องมีเครื่องแบบให้ใช่ไหมก็มีเหมือนกันต้องมีศีลให้ก็มีเหมือนกันซึ่งไอ้รายละเอียดในการปฏิบัติก็คงจะต้องแตกต่างกันไปตามระเบียบปฏิบัตินะค่ะก็คงจะเป็นสิ่งที่ทรงมองเห็นมากกว่าและที่ฉันคิดว่าเออเราก็ต้องต้อง เคารพและต้องติดตามว่าเพราะเหตุใดนะคะจึงมีเหตุผลเช่นนั้นแต่ขอให้เข้าใจในส่วนของพื้นพื้นก่อนว่าธรรมะของพระพุทธองค์เป็นของทุกคนโอกาสการเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมที่พระพุทธองค์ชี้ช่องทางไว้ให้เป็นของทุกคนไม่เลือกเพศผิวพธุ์แม้แต่กระทั่งคนที่ยังเป็นเพศที่เขา เขาก็ไม่ปฏิเสธความเป็นผู้ชายอย่างสิ้นเชิงผู้หญิงสิ้นเชิงก็มีบนโลกใบเนี้ยก็เป็นผู้ที่บรรลุธรรมได้เช่นกันใช่ไหมครับใช่ใช่นะคะคือคือการที่เราจะบรรลุธรรมคุณโยมติวเราจะต้องละตัวตนนึกไหมสมมติไอ้ความที่เราบอกว่าฉันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นตุ๊ดนะฉันเป็นเกย์ฉันเป็นทอมฉันเป็นดี้ฉันเป็นผู้ชายฉันเป็นผู้หญิงคุณมีแต่ฉันฉันฉันนี่คือตัวตนของเรานะแต่คุณยังละตัวตนไม่ได้คุณบรรลุเป็นผ้าหนอนไม่ได้นะค่ะท่าอาจารย์คะ ก็เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยเราได้รู้จักความเป็นพระาศาสดาที่ยิ่งใหญ่มากหายากนะคะคือมนุษย์เนี่ยรว้แล้วแต่มีอคติบางทีก็บอกว่าต้องเป็นญาติในลำดับชั้นแรกถึงจะให้บรรลุธรรมก่อน <c oughs> <c oughs> ลำดับถัดไปเอาทีหลังก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> มีโคตาอ่าอันนี้ไม่ใช่เลย <c oughs> ไม่ใช่พระาศาสดาของเราค่ะและเราก็อย่าลืมนะคะ อยากจะตอบแทนพระคุณของพระองค์ท่านเราปฏิบัติบูชาท่านเพรืบูญบอกว่าแค่คิดดีดำริชอบเนี่ยก็ถือว่าได้บูชาท่านอย่างสูงสุดแล้วดี๋่ฉันจำได้ใช่ใช่ค่ะทีนี้มาถึงคำถามก่ะท่านคะก็จำได้ว่าในวันก่อนนู่นได้ได้พูดกันถึงว่าถ้าเราหมดโอกาสเกิด เป็นมนุษย์อีกอ๋อใช่ในะคะเราไปเป็นอะไรนะคะวินิบัตินรกอสุรกายอะไรพวกเนี้ยจะไม่ได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกได้โดยง่ายอยากจะให้ท่านขยายความเรื่องพวกเนี้ยค่ะในเรื่องนี้เป็นพุทธภิชนะที่บอกว่าบุคคลในบุคคลหนึ่งเนี่ยที่เข้าถึงความเป็นวินิบัติจะเกิดมาเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยยากมากยากขนาดไหนโอ้เปรียบเทียบกันยากมากพระเจ้าก็เลยมีภิกษุถามว่าเอ้าจะเพ่อจะเปรียบเทียบได้มหมยาวนานยากเนี่ยมันเป็นยังไงพระเจ้าก็เลยยกตัวอย่างโลกใบหนึ่ง โลกใบนี้แหละนะที่ <Okay. S 1> มีน้ำสามส่วนมีดินส่วนหนึ่งเนี่ยต่อให้น้ําท่วมโลกหมดเลยเป็นน้ําทั้งหมด4ส่วนพอเป็นน้ำสี่ส่วนแล้วเนี่ยก็มีลมลมเหนือใต้ออกตกเนี่ยพัดพัดไปใช่ไหมมีคนคนหนึ่งเขาโยนแอกไม้ไผ่ลงไปในมหาสมุทรอันนี้นะลมเหนือใต้ออกตกก็พัดแอกไม้ไผ่นี้ไปอเผอิญว่าแอกไม้ไผ่นี้มีรูอยู่รูหนึ่งนะแล้วก็ในน้ําทะเลเนี่ยมีเต่าตัวหนึ่งนะตาบอดด้วย เต่าตัวนี้ก็อึดมากด้วยนะร้อยปีหายใจครั้งเดียวพระรูชาก็ถามพระสงฆ์บอกอ้าวความน่าจะเป็นนะที่เต่าตัวนี้ร้อยปีโผขึ้นหายใจครั้งเดียวตาบอดด้วยเนี่ยจเจ้าหัวทะลุเข้ายื่นไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแองนั้นเนี่ยยากหรือง่ายภนะิกษทุทั้งหลายก็แบบโอ้ยากมากต้องใช้เวลา ย, ยาวนานมากกว่าที่เต่าตัวนี้นะมันจะหัวซุก ข, ขึ้นมาพอดีนะ ค, คือคือถ้าตาดีก็ว่าบางอย่างเข้าใจไหมคุณยมติ๋วการพอจะเล็งหาช่องหัวโผลหัวขึ้นมาได้หรือว่าบางทีโชคดีจริงๆเนี่ยหัวโผลหัวขึ้นมาโดนแอ ก, กแต่ไม่เข้ารูก็ต้องนับหนึ่งใหม่ต้องเริ่มใหม่เป็นอุ ป, ปมาอุปไมยของอพระพุทธองค์นะคะที่ทําให้เรานึกเห็นภาพด้วยท่านกระจายเย็นๆคลิปแล้วกันนะค ะ, น ะ, คะบนโลกใบนี้ไม่มีตรงไหนเลยที่เหลือเป็นแผ่นดินเป็นแต่แผ่นน้ําถูกไหมคะใช่แล้วก็ ในน้ำมีแอกไหมไผ่ดิฉันเข้าใจว่าคงจะเป็นเหมือนแบบอ๋อเหรอคะเป็นลักษณะของแพรไม่มที่ลอยไปลอยมาอ๋อดิฉันหนึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นไม่ไผ่ที่มีปลายยอดมันเป็นห่วงนิดนึงแล้วก็ให้เต่าเอาศีรษะลอดเข้าไป อ, อ่อาอก็อย่างนั้นก็ได้เหมือนกันแต่จะด้วยอะไรก็แล้วแต่ไอ้ตรงช่องที่ให้ลอดในคงจะเล็กมากแล้วก็ความโหดก็คือเมื่อไม่ได้อยู่นิ่งใช่ไป <ลง S 2> ได้ดไ<ป>ตาตามกระแสลม ค่ะสารพัทิศอีกเดี๋ยวก็พัดไปทางเหนือเดี๋ยวก็พัดไปทางใต้โอ้ยากดีแ ท, ท้ทีนี้ก็ไม่ได้เชื่อว่าอาศัยแต่อุปมาอุปไมในการอธิบายอย่างเดียวก็มีเหตุผลด้วยเพราะว่าในสัตว์จํำพวกวิริบาัตเนี่ยมันไม่มีการทํากุศลเลยไงมันมีแต่การที่สัตว์ใหญ่เคี่ยวกินสัตว์ที่มีแรงน้อยกว่าสัตว์ใหญ่เบียดเบียนสัตว์ที่มีกําลังน้อยกว่าในหมู่สัตว์จํำพวกวิริบาัตน่ะเป็นธรรมดาไม่มีการสร้างกุศลไม่มีการบาเพ็ญบุญไม่มีการสร้างสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเลเย เี้วกินกันเองใช่ล้วเราเคยเห็นอย่างในมนุษย์อย่างเงี้ยเขาเบียดเบียนกันนะคุณโยมติวเห็นไหมคนที่มีกําลังมากกว่ามีเงินมากกว่านะสร้างสถานการณ์เบียดเบียนคนที่มีกำลังน้อยกว่ามีเงินน้อยกว่าอันนี้คุณเป็นทําตัวเหมือนสัตว์เดรัจฉานไอ้พวกนี้จะเป็นยังไงรู้ไหมค่ะพอตายไปแล้วก็จะไปอยู่ในพบที่มีการเบียดเบียนกันเพราะคุณเบียดเบียนกันเองใช่ไหมค่ะก็คือจะเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานมากันเถอะค่ะเพราะนั้น ถ้ามันโอกาสน้อยอย่างเงี้ยท่านคะไม่มีโอกาสสร้างกุศลฟังแล้วมันน่าจะหายแต่นี่เกิดบางทีบางคนมันพลาดไปมันไม่มีเชื้อลายนลยหรอคะที่จะรอดขึ้นมาได้เออมีในกรณีนี้ผู้ชอบเคยบอกถึงการที่สัตว์จะย้ายพบเปลี่ยนแปลงพบได้เนี่นะ<ช>คือเขาจะต้องมีความเบื่อหน่ายในพบนั้นก่อนค่ะอออยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติสุนัขอย่างเงี้ยสุนัขเนี่ยมันจะมีความยินดีในพบของมันที่ว่ามันได้กินเศษอาหารแล้วมันก็จะยินดีในการที่มีมีได้คู่มีคู่ของมัน มันยินแค่นี้เองอย่างอื่นมันไม่เห็นเป็นความทุกข์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะการที่มันถูกกัดจนเลือดศาสตร์การที่มันจะต้องไปหิวโซการที่มันจะต้องไปกินของเน่าๆเหม็นๆเนี่ยมันไม่รู้เรื่องรู้ราวว่ามันเป็นความทุกข์แต่ถ้าไออสุนัขตัวนี้มันเกิดตายเกิดตายเกิดตายจนเป็นด้วยความเป็นสุนัขของมันเนี่ยหลายๆชาติแล้วเนี่ยมันอาจจะเบื่อได้บ้างเพราะมันเบื่อเมื่อไหร่นั่นแหละพวมันหลุดเลยมันจะหลุดจากมาเป็นหมาในชาติต่อไปทันทีเบื่อแล้วหลุดเหรอคะเออใช่อ่า ต้องเบื่อนายต้องเบื่อต้องเบื่อจากภพที่มันเกิดไปก่อนคือคือถ้าเรายังยินดีในภพเนี่ยเราก็จะมาอยู่แต่ภพนี้เรื่อยหลายๆคนเห็นยแม้ที่เคยเนั่งเขาเรียกว่าทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเขาบอกโอ๊ยขอให้ชาติหน้าเกิดมารื่อยๆคุณยังยินดีในความเป็นมนุษย์อยู่นะจริงพวกคะ่ะดิฉันต้องเลิอกอธิษฐานแบบนี้ด้วยหรอคะคือถ้าคุณจะ <c oughs> อธิษฐานให้ถูกเนี่ย <c oughs> คุณ <c oughs> ควรอธิษฐานว่าชาติหน้าเกิดมาเนี่ยขอให้เขาเรียกว่ามีความสุขที่ยิ่งยิ่งขึ้นไป เนี่ยคือความสุขที่ยิ่งขึ้นไปในเทวดาเนี่ย ม, มันดีกว่าความเป็นมนุษย์แน่ค่ตอีนี้คุณยังไม่รู้ว่าพบเทวดามันดีกว่ายัางไงใช่ไหมคุณก็คุณก็เลยพลาดในการที่จะอยู่แค่มนุษย์อย่างเงี้ยเหมือนสุนัขเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่ามีอะไรที่ดีของเขาเขาก็ยินดีในความที่เขาเป็นสุนัขพูดถึงคนที่ไม่เลี้ยงสุนัขหรือว่าไม่ค่อยสังเกตออืลองไปสังเกตเนี่ยแล้วท่านจะสะท้อนใจอะไรมากเลยนะคะ อ, อ, อย่างดิฉันเองเนี่ยที่บ้านสุนัขมากแต่เมื่อก่อนไม่มีเวลา ที่จะสังเกตพฤติกรรมสุนัขพอมีเวลามากเห็นเวลาตอนเขาอยากมีคู่ค่ะอืมโอ้โหมันเป็นมันเป็นอะไรที่สะท้อนอ๋อนี่ธรรมชาติของสัตว์ที่เรียกว่าสุนัขสัตว์ที่ ม, มีความหลงเป็นธรรมดาพวกนี้นะคะมันมันจะจดจ่ออยู่เรื่องเดียวจริงๆใิ คือคือมันเป็นเป็นสิ่งที่มันควบคุมตัวเองมันก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีความหลงอย่างมนุษย์เนี่ยบางทีเราเรามีความหลงตรงนี้อย่างพวกที่เสพกามใช่ไหมคาระบาเนี่ยเป็นผู้เสพกามก็จริงอยู่แต่ยังพอควบคุมได้นะในการที่ให้มีคู่เดียวผู้เดียวเมียเดียวอย่างเนี้ยโอเคอย่างนี้ okay, ยเป็นสิ่งที่ยังยังพอรับได้แต่ว่ามนุษย์บางคนทำตัวเหมือนสัตว์เด ร, าารัจฉานก็ไม่ควรทำอย่างนั้นนะแม่รู้สึกว่าเป็นการอธิบายธรรมที่แสบเผ็ดมากนะท่านเนี่ย S <S> สำหรับคนที่ไม่ได้เยว่าเขานะขอพระเจพค่ะคือนนะบาอองคนบางคนคิดไปไม่ถึงไงคะว่ามันมันเป็นผลได้ขนาดนี้เชียวท่านไปบูญค่ะทีนี้อ่าก็กลับมาตรงที่ว่าดังนั้นเนี่ยขอให้รู้ไว้ว่าอย่าใช้ชีวิตจนทำให้พลาดพลัง้งหลุดไปจากความเป็นมนุษย์เพราะเมื่อหลุดไปแล้วหาทางกลับยากการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากจะเกิดได้ต่อเมื่อ ผู้ที่พลัดไปอยู่ในภพภูมิที่ต่ํากว่ามนุษย์แล้วต้องเกิดความเบื่อหน่ายในภพภูมินั้นเสก่อนใช่แล้วก็ผู้ที่อย่างพูดถึงสัตว์นรกอย่างเงี้ยนะโอ้โหยิ่มทุรนทุรายมากคิดว่าพอจะมีเวลาพูดถึงเรื่องประเด็นนี้อยู่เหมือนกันเมื่อบานนี้อาตมาพูดถึงที่พระพุทธเจ้าก็ได้บอกสอนทุกภพทุกภูมิเลยนะตั้งแต่แบบมนุษย์ขึ้นไปเนี่ยจนถึงเทวดาเนี่ยก็มีคนที่อยู่ในนรกอาตมากไม่แน่ใจว่าภพนี้เป็นเป็นนรกหรือว่าเป็นเทวดาชั้นไหนคืออย่างพญายมอย่างเง พยายมเนี่ยมีความเป็นอยู่ของพยายมเนี่ยมีอยู่จริงอันนี้เป็นพุทธวนะิชชาพระพุทธเจ้าได้เคยอธิบายถึงพยายมที่ทําหน้าที่ในการที่จะถามถึงเทวทูตทั้ง5้าเกี่ยวกับกับสัตว์นรกว่าอย่าให้มีความประมาทถามถึงเทวทูตทั้งห้าแล้วเนี่ยพยายมก็เห็นความทุกข์ที่เจ้าพวกสัตว์นรกเนี่ยจะได้รับเนี่ยเราก็รู้สึกสลดสังเวชมากเลยก็มคีความคิดว่าอยากจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราก็อยากจะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็อยากจะได้บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นก็ไม่แน่ใจว่าพระยายมเนี่ ย, ย, ย, ย มีความเป็นอยู่อย่างอยู่ในภพนรกหรือว่าเป็นเทวดาสักองใดงงหนึ่งไหมหรือทำหน้าที่ยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งตรงนี้มีประเด็นถ้าเราจะมาเปรียบเทียบกับมนุษย์โลกน ะ, ะอย่างโรงพยาบาลคุณไปโรงพยาบาลนะหมอพยาบาลเนี่ยหมอกับพยาบาลเนี่ยได้รับการยกย่องเชิดชูจากคนใกล้อย่างดีมากนนในเรื่องการที่เขาทาหน้าที่ของเขาใช่ แต่ในขณะที่เขาทาหน้าที่นะคุณคุณยมติวเคยเห็นไหมเวลาเขาแทงคอคนไข้เนี่ยเอาเอกเครื่องช่วยหายใจเข้าไปเนี่ยโอ้โหมันไม่มีความปราณีนะเวลาหมอเขาตัดอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เห็นความเป็นตัวตนว่าต้องตัดท้องตัดอวัยวะจัดการมะเร็งใช้ยาฆ่าเชื้อพวกนี้โอ้โหเหมือนโหดเหมือนกับนายนรีบาลทํา <c oughs> ไอ้พวกสารนรกเนี่ยค <c oughs> แต่นายนรีบาลก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ถูกไฟนรกเผาไม่ได้มีความเจ็บปวดอะไรก็เหมือนกับหมอพยาบาลเนี่ยเขาก็ไม่มีความ เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคเหมือนกันอย่างคนไข้ที่เขาถูกทําลายอยู่ค่ะอืซึ่งก็คงเป็นลักษณะพิเศษของบุคคลที่ทํางานอยู่ในพบนั้นนะอันนี้ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะนี่กําลังพูดถึงพยายมใช่ใช่นะค ะ, ะท่านไปบูรณาดิชันเองเนี่ยเคยเห็นคุณหมอพยาบาลไม่ได้ทําหน้าที่เอาสายยางเข้าคอนะคะดัง <c oughs> ันเคยเห็นการพ่าตัดหัวใจสดๆโอ้นั่นแหละไปดูเป็นเอ็กซิบิชันตอนนั้นบังเอิญโชคดีอยู่ในรัฐบาล <c oughs> แล้วเขาก็โชว์ให้เห็นผมว่าน่า ก, กลัวมากค่ะ คนเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งของเอาไว้โอกาสหน้าเล่าแล้วกันเวลามันจะหมดนะคะแต่ต้องบอกได้ว่าท่านใจเด็ดใจเข้มแข็งจริงๆหันมนุษย์เป็นๆปาหัวใจที่หน้าอกนะคะค่ะก็ยังไงวันนี้นมัตการขอบพระคุณท่านไปบุญไปอย่างยิ่งท่านเลยยังไม่ได้เล่าเลยนะคะถึงความสําคัญของการเดินทางไปตามประเทศที่ได้คุยรอบเอาไว้ค่ะวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะได้ได้ได้ข้าธรมศการขอบพระคุณมากค่ะ ท่าฟังที่เคารพคะนี่คือรายการสัสนิสนท น, นะคะเราก็สนทนากันอย่างมีความสุขกันตั้งแต่เช้าตรู่แต่จริงๆแล้วความสุขแบบนี้ก็ไม่ได้ให้เพลิดเพลินไปนะคะเป็นความสุขที่ต้องบอกว่าจากการที่เราได้ร่าเริงในธรรมเพื่อที่จะอะไรต่อไปก็ว่ากันไปตามเรื่องต้องให้ท่านเนี่ยศรัทธาเองศึกษาเองนาไปปฏิบัติเองถ้าจกอ่านพุทธวจนะเอง0 2 2ย์ส ถ้าอยากจะส่งคำถามของท่านมาถามเองเผื่อแผ่คนอื่นเพียวธรรมะ .com/106 และปฏิบัติเองชีวิตของท่านจะพบกับความสวัสดีเองนะคะวันนี้ลาไปก่อนพุทธวัตสวัสดีค่ะ